ที่เคยปฏิบัติกันมาเวลานั่งให้น้อมใจเข้ามาข้างในนี้อย่าเอาไปข้างนอกดูใจของตัวเองในขณะที่ฟังนั้นให้ดูใจนั้นก่อนดูดูที่ใจนั่นแหะอย่าส่งไปข้างนอกรักษาใจไว้พร้อมข้างใน น, น เือหายใจของเรามีสมาธิหรือสมาธิเกิดขึ้นข้างในเมื่อเรารักษาไว้ข้างในสมาธิมันจ ะ, จะเกิดวิ่งไปหาข้างนอกมันไม่เกิดสมาธิต้องเอามอยข้างในเอามารักษาไว้ข้างในการรักษาใจนะั้นท่ากว่ามีสติรักษามีสติเป็นคุ้งคุ้ม สติเป็นเครื่องรักษาเมื่อรักษาครั้งแรกมันก็เป็นธรรมดาใจขององมก็กระวนกระวายกระเสือกกระสนดิ้นหลนมันไม่อยากอยู่ข้างในพอมันไม่สบายพอเราปล่อยมันมานานแล้วขอให้มันไปตามอารมณ์ตามเรื่องราวต่างๆ โดยไม่เคยรักษาโดยไม่มากาหนดรู้ตัวเองเลยอันนั้นท่านเรียวกว่าผู้ประมาทผู้ประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วหมายถึงตายจากความดีโดยไม่รู้จักตัวเองโดยลืมตัวถ้าตายก็เรียก ว, ว่าหลงทํากาละกิยา ตายโดยไม่รู้สึกตัวเองทั้งๆที่ใจยังห่วงอะไรข้างนอกอยู่มากใจนั้นมันไปเกาะเกี่ยวอยู่แต่ข้างนอกไม่เป็นตัวเองือไปเกาะไปห้อยอยู่กับสิ่งที่มันมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนสภาพเกาะอยู่ในกับกับทรัพย์โคะกับลาบยศสัเสญหยุกสุขกับลูกกับหลานกับเลนกัดล้นเกาะยืนตามสิ่งนั้น ไม่เป็นตัวเองถ้าสิ่งที่ตัวเองกาะอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่ดีตัวเองก็เป็นสุขไปถ้าสิ่งที่ก่อนั้นนะมันไม่ดีไม่เป็นไปตามที่เราต้องการอย่างเรามีลูกมีหลานเราต้องการให้ลูกหลานของเราเป็นไปในทางที่ดีแต่มันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการใจผู้เกาะเกี่ยวมันก็เป็น พระพุทธเจะทรงสอนพวกเราให้สร้างสติปัญญาให้เกิดให้มีขนนัยใจเพื่อให้รู้จักให้รู้จักทุกสำเนี๊ยกในทุกเบื่อหน่ายในทุกแล้วให้หนีให้หนีจากทุกการจะหนีจากทุกได้ต้องรู้จักทุกเสียก่อน การรู้จับทุกนั้นต้องรู้จักผู้ที่ที่จะพลนทุกด้วยผู้ที่จะพ้นจากทุกอย่างลำบากก็คือใจทุกทางหลายน่มันมีมันมีเหตุมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆตัวทุกเป็นผลแม้สุขมันก็เป็นผล ใจของเรามันไปเสวยไปหลับเสวยสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกจากเหตุภายนอกเสวยทุกที่เกิดขึ้นจากเหตุภายนอกและเหตุภายในในตัวของเราทุกคนนี้มันปิดตัวทุกอยู่แล้ว ในร่างกายสังขารของเราที่ใจมาครองอาศัยนี่มันเป็นก้อนทุกข์อยู่แล้วล่ะที่พวกเรามีสุขอยู่ก็เพราะว่าเรามีเครื่องบรรเทากันมีเครื่องช่วยคุมของให้บรรเทาทุกข์นั้นหลุดไปปกติเราก็เจออยู่เจอเย็นเจอร้อนเจออ่อนแข็งา น, นต่างที่เรากระทบกาย ปกติก็คืออากาศอากาศทบกายเนะี่ยบางครั้งมันก็ร้อนบางครั้งมันก็หนาวแล้ร่างกายก็เปลี่ยนไปตามสภาพนั้นด้วยถ้าเราไม่มีเครื่องป้องกันหนาวเกินไปก็อาเป็นหวัดได้แล้วร้อนเกินไปก็อา็เป็นหวัดได้อีกเหมือนกันเป็ดไข้โรคภัยไข้เจ็บตามมาเลยถ้าไม่ป้องกัน เมื่อใจของเรามาใส่ร่างกายนยีก็ต้องบริหารก็ต้องรักษาต้องดูแลต้องเยียวยาการรักษาการดูแลการเยียวยาเนี่ยมันก็เป็นทุกอันหนึ่งเป็นพาระที่เราจะรักษาถ้ารักษามันได้ตลอดไปก็เป็นการดีแต่นี่เรารักษามันไม่ได้ตลอด กายสังขารของเรามันเปลี่ยนสภาพโดยเฉพาะก็คือรักษาไม่ให้แก่นะไม่ได้รักษาใจไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ได้อีกถึงขามันเป็นมันต้องเป็นไม่จำกันอย่างไดอนามัยขนาดไหนกลัวขนาดมันก็เป็นทังถ้ามันถึงค่าที่มันจะเป็นกันลัวโลกไร้ไร้กลัวโลกมาลงบมักมอโลกมาเลงบางกลัวกันใหญ่ แม้แต่เป็นหมอก็กลัวป้องกันมีวิธีป้องกันให้หมอเรียนมาทางหมอโดยเฉพาะหลับป้องกันมันก็มาเล่นงานหมอเขาอีกได้ในโลกอย่างนัน้นสุดท้ายก็ตัดชีวิตขยงพ่อโลกอันนั้นไปจะทำยังไงได้เ <c oughs> มื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้พี่อนาต่างก่าเป็นจริงเราจึงจะไม่ทุกอีกส่วนหนึ่ง ว่าร่างกายสังขารของพวกเราเนี่ยมันเป็นบ้านเป็นเรือนของโครคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วในขณะที่ร่างกายสังขารของเรายัางแข็งแรงมันก็พอจะต่อต้านต่อสู้โครคภัยไข้เจ็บนั้นได้บา้างเดี๋ยนั้นเราก็จะมีต้องปฏิบัติต่อต้านสึ่งนั้นนนั้นตามสมควรแก่กําลังนี่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ไม่สามารถพูดไจากระสุ มันก็เป็นไปตามกรรมอันนี้เป็นเครื่องตัดครั้งสุดท้ายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นมันเป็นไปตามกรรมอยู่แล้วเราจะไม่ได้ส่อโศกโศกกรรมไม่ได้ห่วังอะไรในสิ่งพินั้นสิ่งนั้นเกิดไปการพินาะศส่วนภายนอกสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเหล่านั้น ให้เขานายรับศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเครื่องบรรเทาเป็นเครื่องไม่ให้เราหลงในสิ่งนั้นนนันเกินไปครั้ น, นี้จะละจะถอนจะปล่อยจะวางทุกสิ่งทุกอย่างได้นั้นต้องให้สมาธิมันเกิดขึ้นในใจสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็ปัญญาเกิดขึ้น อันนั้น่าจะเป็นเครื่องล้างความยึดความถือในใจของเราถ้าสิ่งนั้นมันไม่เกิดขึ้นแล้วนนก็อย่างอย่างล้างไม่ได้หมากกวาระไม่ได้ขาดอาศัยกําลังสมาธิอาศัยกําลังปัญญาธรรมดาธรรมดาเป็นเครื่องบรรเทา พอเห็นนั้นการบําเพ็ญภาวนาการฝึกหัดใจของเราให้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์นั่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากหลักในการภาวนานั้นมีอยู่หลักสามคือหลักที่หนึ่งตั้งใจหลักที่สองฝึกใจหลักที่สาม รักษาใจตั้งใจก็คือเราจะทาอะไรทุกอย่างเราต้องตั้งใจสก่อนแม้เราจะมานั่งภาวนา ก, ก็มาตั้งใจตั้งใจไว้กับอารมณ์กรรมฐานหรือตั้งไว้กับใจเองแล้วก็รักษาทรักษาที่เราตั้งไว้นั่นแหละอย่าให้มันเผลอ รักษาไว้ทําไมรักษาไวเเ้เพื่อให้สติมันเกิดเพื่อให้สติมันมีเพื่อให้สติมันเป็นให้ใจเป็นให้ใจมีสติให้ใจเป็นสติให้ใจมีสติเมื่อใจมันเป็นสติมีสติเกิดใจมก็เป็นสมาธิทันอา น, นาทานัญญาของสมาธิแล้วเมืม่อใจมันเป็นสมาธิรหรือ ม, มีสมาธิเกิดขึ้น ก็เป็นการรักษาไว้ภายในที่นี่รักษาไว้ภายในเฉพาะอันนี้เวลาทั่วไปก็รักษาเวลาทั่วไปเรียกว่ารักษาใจดินท่านพูดรวมๆว่ารักษาสติความจริงก็คือรักษาใจก็ร้อนล่ะเราไม่ได้ปล่อยจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนรักษาใจก็ร้อนแล้วก็ให้ใจก็ร้อนน่ะทำงานคือรู้เรื่อง ทางกายเคลื่อนไหวทางกายแล้วก็รู้เรื่องการพูดทางใจและทางวาจาตลอดถึงรู้ถึงความคิดนึกภายในใจด้วยอาการที่ทําได้อย่างนั้นเรียกว่าไม่หลงลืมหอมด้วยสติแต่เมื่อเราเผลอเผลอไปปล่อยไปตามธรรมชาติลืมตัวเองก็เรียกว่าสติเสียไปเมื่อสติเสียไป อารมณ์ภัยนะมันก็ทับถมทับถมเข้ามาก็ลืมหลงความทุกข์ก็เกิดขึ้นไอ้ความจริงนะ่ะทุกทางหลายนั่นนะเมื่อว่าเหตุส่วนลุมที่มันเกิดขึ้นหลักทันว่าก็เพราะอาวิชชาตันหาประธานกับอวิชากับมันถึงความไม่รู้ของใจ ปัญหาก็คือความอยากได้ความทะเยอทยานกรรมหมายถึงอาการที่ใจของเราสแสวงดิ้นรนกดแกงสแสวงหาอารมณ์ยึดเหนี่ยวในอารมณ์ผูกไว้ในอารมณ์เกี่ยวข้องในอารมณ์กอดอารมณ์นั้นไว้จึงไม่หลุด ใจของเราจะรู้จักสิ่งนั้นๆได้เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็รู้จักตัวเองทีรู้จักใจในการกำหนดกรรมาฐานทั้งหลายที่ใช้พุทโธธรมโมสังโฆหรือใช้ลมหายใจเข้าออกเข้ามานั้นเพื่อให้ใจมันยิ่งเพื่อให้ใจมันรู้อยู่ข้างใน เมื่อใจมันนิ่งมันรู้อยู่แล้วนะเราก็วางกรรมฐานได้แล้วพุทโธเราก็ไม่ว่าลมหายใจเข้าออกเราก็ไม่กําหนดเราก็ไปกําหนดรู้จะพอใจได้นะใจของเราอยู่ที่ไหนมีรู้อยู่ที่ไหนก็ให้เข้าไปนิ่งรู้อยู่ในจุดรู้นั้นเรียกว่าอยู่กับรู้อยู่กับใจเมื่ออยู่กับรู้กับใจได้ดีแล้ว ก็พยายามรักษาจุดอันนั้นให้เด่นชัดขึ้นถ้าเราทำเฉพาะความสงบลงลงไปอย่างนี้โดยอาศัยพุทโธธ ร, รมสังโคอาศัยอานาปาคือลมหายใจของสงบอย่างนี้เนะี่ยโดยเมว่าสงบแล้วมันก็นิ่งมันก็รู้อยู่ข้างในปัญญา ที่เป็นฝ่ายหรือพานาชยานะ์โดยมากชักจะไม่เกิดที่ไม่เกิดนะก็เพราะว่าใจของเราได้รับความสงบแล้วมันก็อยู่ที่ความสงบมันไม่ทำงานมามันเป็นเช่นนั้น ถ้าผู้ใดเป็นเช่นนั้นไปสงบไปนิ่งอยู่อย่างเช่นนั้นก็ขอให้จำจุดตั้งจับจำที่สงบของใจนั้นไว้ให้ดีก่อนแล้วก็ฝึกหัดใช้ใจก่อนเพื่อให้แหววิปัสนาญาณมาเกิดหรือเพื่อให้ญาณเป็นทางให้เกิดญาณนัศนาในภายหน้าฝึกหัดใจก็คือกาหนดรู้ใจก่อนใช้ใ น, นหลักของอริยมรรคว่า คือใช้สัมมาสังกัปปะที่ว่าดำริชอบดำริชอบครั้งครั้งแรกเราไม่ต้องไปดำริที่ไหนหรอกเรามาดูใจของเราเท่านั้นแหละเข้ามาดูทุกอย่างมันอยู่ในใจนั่แล้วหม่ ใ, ใจพอรู้จากกำหนดแล้วนี่ใจคือรู้เนี่แล้วก็พี่น่ะพี่น่า ใจนี้ก็สากวาดใจไหมไม่มีสัตว์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแต่มันก็มีรู้แค่นี้มีดวงรู้มีผู้รู้มันไม่รู้เป็นตัวกลเครื่องประกอบของมันก็คือสุขทุกข์เนืความคิดเรื่งปรุงแต่งคิดไปปรุงไปแต่งไปที่คิดลอยใจมันก็อยู่กับเรื่องความคิดแต่ คิดในฝ่ายที่ดีกับเพิเป็นสุขไปแต่มันก็กลายเป็นทุกข์ในภายหลังถ้าคิดรอยครั้งแรกมันชื่นใจสุขใจในขณะที่คิดรอยไปอย่างนั้นแต่ต่อไปต่อไปมันกลายเป็นทุกข์ร้อนลุ่มขึ้นหมดคิดในเรื่องที่ไม่ดีกันเหมือนกันในเรื่องทุกข์ก็เหมือนกันเพิ่มทุกข์เขาอีกหนอันนั้นเรียกว่าใจไม่มีหลั ให้ตั้งหลักในการคิดหลังก่อนที่คิดท่านจึงให้ตั้งไว้ในหลักหลังก่อนประคองขึ้นมาประคองขึ้นมาในฐานที่ตั้งของเราที่เราอยู่ขนาดรู้อยู่ขณะนั่นแหละเบาว่าอันนี้ตัวใจตัวรู้นะกาหนดกวนมีขนาดนี้มีอะไรมันมีสุขหรือมันมีทุกข์อยู่ขนาดนี้กําหนดลูลมีสุขกับอ้อนีิสุข ก็ใจมันไปรู้ว่ามันเป็นสุขนี่สุขมันไม่ใช่ใจสุขนั้นไม่ใช่ใจมันเป็นอาการใจไปรู้ไปรู้ว่าเป็นสุขและไอ้สุขนั่นละ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปได้เดี๋ยวก็จะกลายเป็นทุกข์ไปเดี๋ยวมันเป็นทุกข์านานๆเข้ามันก็กลายเป็นสุขไปอีกสลับกันไปอยู่อย่างนั้น ท่านจึงเรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกขเ ป, ปนตาไม่เที่ยงคือมันเปลี่ยนแปลงเป็นทุกขก็คือตั้งอยู่ไม่ได้เป็นนิสตาก็คือไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ว่าสุวรเกิดคึ้ใจจะบังคับให้มันเป็นสุขอย่างนั้นตลอดไปมันก็ไม่ได้เดี๋ยวเหนือก็เปลี่ยนไปยิ่งจะบังคับมันยิ่งจะหนีมันยินนย่งจะหายไปพบเดยสอนว่าให้ปล่อยวาง วางไว้ตามสภาพมันใช่สิ่งใดที่มีอยู่ขนาดนั้นก็อเอาสิ่งที่มันมีอยู่นั่นแหละอะไรมันมีอยู่ น, นก็มีได้แค่รู้อยู่ก็อยู่ที่มันรู้นั่นแหละแล้วจะไปสมมติเป็นตัวตนเป็นแสงเป็นดวงเป็นดาวอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีแค่รู้นี่ย้อนเข้ามาอย่าส่งออกไปโดยมากคนใช้ความคิดพิจารณาก็ส่งไปข้างนอกส่งออกไปข้างนอกกุ้งมังกร ใช้ไปกับสายตายส่งความรู้สึกระทางตาไปสมมุติบัญยัติว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้เดาหมายว่าจะต้องเป็นรูปร่างฟันชันฐันนั่นเรียกว่าใช้ความคิดบไปกับตกับสายตาอันนั้นก็ใช้ไม่ได้ถ้าใช้ความคิดกับไปกับสายตามันอาจจะเป็นรูปร่างระฟันสันฐานสมมติบรรยัญญติก็เป็นรูปรางเป็นมามี แต่นั้นก็ใช้ไม่ได้อีกห้ามใช้เราใช้ความคิดตั้งอยู่ในฐานข้างในนี้อยออกไปข้างนอกแม้มันจะไปข้างนอกก็รีบดึงเข้ามาข้างในตั้งอยู่ในฐานข้างในนีใจจึงจะปล่อยวางเมื่อเรากาหนดรู้ในจุดทั้งสองคือผู้รู้คือใจ และสิ่งที่เป็นเครื่องประกอบก็หมายถึงตัวเวทนาสัญญาสังขารเวทนาก็หมายถึงอาการที่ใจของเรารู้สึกว่ามันเป็นสุขรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วก็รู้สึกว่าเฉยๆอาการที่ใจของเราคิดไข่ควรพิจารณาว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นควรอย่างนี้มันไอ่ควรหรือเราไข่ควรพิจว่า เหล่นี้มันไม่เทียงเป็นทุกวันนตอคติอยู่อย่างนั้นนท่านเนี่ยเป็ตัวสังขารสว่วนตัววิญญาณก็หมายถึงดวงรู้นั่นแหละตัวรู้นัน่นแหละขนาดนั้นที่ไหนเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านะั้นมาเกิดดับไม่หไปถือทีนี้จะถือเอาอะไรมันก็มีแค่รู้อันนี้นะฮะรู้อย่างเดียว ทุกใจจางหวมันเถอะทุกใจจางหวมันเถอะเป็นได้ใจจางหวมันเถอะอันนี้เรี้กวาวางไว้วางไววางสิ่งนั้นไววางสุขนั้นไววางทุกข์นั้นไววางความจำได้หมายรู้นะไว้แล้วก็วางความคิดไว้นิ่งรู้อยู่เป็นความเป็นการต้งความสงบยิงกว่านิ่งรู้อยู่รู้อยู่ตรงนั้น รู้เดี๋ยวที่ฐานานั่นนั่นคราวนี้เอามาใช้ใจเอามาใช้ก็คือเอาสังขารอะไเงี้ย <c oughs> เอาสังขารขึ้นมาใช้เรามาพิจารณาใครควรนที่เรียกว่าสัมมาสังกปะอันนั้นก็เรียกว่าสังขารนั่นแหละเอามาใช้ใช้ทําไมเอาสังขารมาสอนสอนใจ สอนใจของเรา น, น, นให้มันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีในใจนี้ก็เป็นเครื่องประกอบติดอยู่ที่ใจถ้าใจไปขี่มันมันก็พาวิ่งเข้าป่าเข้าดงเข้าดอยพาวิ่งเข้าหากองไฟอยงนั้นจะไปขี่มันมันจะวิ่งไปแล้วก็ฉงนมันนล้วอย่ ง, ง น, น, นั้นจะไปขี่ไม่อยู่ไม่ขี่รวมแล้วว่า เวทนาสัญญาสังขารเป็นอนิจจ์คือไม่เที่ยงเปลี่ยนสภาพเป็นทุกข์คือตั้งอยู่ไม่ได้เป็นอนาตาคือไม่มีตัวตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครส่วนใจคือดวงรู้นี้เป็นอนาตาแต่ไม่แช่อนิจจงทุกข์ ใจนะมันเป็นสภาพรู้และก็ไม่ไม่เป็นนิจจังทุกครังและไม่ดับด้วยไม่แก่ไม่เจ็บคัวเข้าได้ปวดและก็ไม่ตายด้วยดวงรู้ว่านาไม่ตายแต่ที่มันเป็นทุกข์กับพ่ออมไปถืออถือเอาของที่มันแก่ตายอ่ะของที่มันไม่เที่ยงคำว่าถือก็คือไปอยู่ เวลาสุขก like in ็นอนอยู่ที่สุขนี่แหละพอรู้สึกทุกขก็นอนอยู่ที่สุขใจมันไปนอนอยู่ที่สุขไปนอนอยู่ที่ทุกข์ไปนอนอยู่ที่ใจเถย่เปรียนก็เปลี่ยนเหมือนบ้านคนหรือบ้านเราแหละเราไปนอนอยู่ในบ้านพอไฟในบ้านคนดำนอนอยู่อย่างนั้นก็ไหม้ทั้งบ้านไหม้ทั้งตัวผู้นอนอยู่ในนั้นถือว่านนั้นคือบ้าน ในภายในยนี่ก็เหมือนกันอันนั้นคือตัวเวทนาคือสัญญาคือสังขารอันนี้ผู้รู้บ่งรู้คนละอย่างกันไม่ใช่เดียวกันแต่มันอยู่ที่เดียวกันนี่แหละถ้ า, ากว่าใจนี่ไม่มีอยู่้ตัวเวทนาสัญญาสังขารมันก็ไม่อยูอย่างนั้นของมันแหละเพียงว่าอย่าให้สิ่งนั้นมาทับใจ หรือใจอย่าได้ไปเป็นสิ่งนั้นอย่าไม่ได้เป็นสุขอย่าได้เป็นทุกข์สิ่งนั้นน่าเกิดขึ้นมาท่านสอนให้กําหนดรู้รู้ตามความเป็นจริงอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสัญญาจําได้ไหมอันนี้คือสังขารความคิดเนักปรุงแต่งแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพแล้วก็สงบรู้อยู่ท่านสอนให้เราค่อยความพินาศข้างในอย่างนั้น ที่นาตามสมกันแล้วก็วางลงไปนี่งรู้อยู่คือวางจะให้ใจไปติดไปเกาะให้อยู่กับรู้กับจุดรู้อยู่ที่ผู้รู้ให้รู้รู้ได้สุขไม่ให้อยู่ทุกข์ไม่ให้อยู่จะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันเถอะวางไว้มันก็อยู่ที่น่านำนะ ม, ม, มันไม่ไปไหนหรอกให้สุขทุกข์แต่ว่าใจไม่ได้เอาใจใส่เท่านั้นแหะเมื่อเรามากําหนด พิณาร่างกายสังอาพณารภายในคือพิณาใจกับอารมณ์ที่มีในใจหรือพิณารเวทนาสัญญาสังขารญาติแล้วก็พิณารใจพอสมควรแล้วสงบนิ่งตอนนั้นก็ฝึกหัดสอนใจด้วยการพิณาร่างกายกำหนดรู้ในจุดเดียวข้างในก็ไดหรือว่ากำหนดรู้โดงองมามารู้ตัว รู้ที่กายนะทั้งหมดกําหนดรู้ว่าที่กายนะี้นเป็นจุดที่ต่างหมดเลยไม่ต้องหมายที่ที่นี่ยจับมันทั้งตัวของเราเน่ยรู้สึกว่านั่งอยู่ขนาดนี้กําหนดมาเพนาเลยที่อ่านที่อ่านกายของเรานี่อ่านรูปของเราเนี่ยนี่คือร่างกายใจอยู่อาศัยนี่บ้านอนนี้บ้านบ้านมันมันอยู่มานานแล้วบางคด จนต้องสักพันเท้ากะตกกะต ก, กะตะกๆะกตะแล่ละอยู่มานานแล้วล่ะมาหนุ่มแน่นมันก็แข็งแรงอะไรอะไรก็ดีทั้งนั้นะแต่มาในขณะที่แก่นี่นะลำบากแล้วล่ะเพราะอยู่อาศัยบ้านนั้นนี่มานานจึงเป็นภาระอันทุกข์นี่กองทุกข์เข้ามาอาศัยรูปร่างกายมันเป็นทุกข์มันเป็นวิบากขันร่างกายของเราที่เรเรามาอยู่อาศัย ก็รรักษาเยียวยามันไปตามเรื่องสอนใจวันนี้คือของไฟถ้าใจมาอยู่อาศัยรูปหลังกายก็ทุกอยู่อย่างนี้อีกกับบ้านที่มันมีไฟไหม้มาตามลำดับเราจะมารักมันก็ไม่ได้จะมาหลงมันก็จะเมาเอายังไงมันก็มาอยู่ของมันมันไปของมันเองเพราะร่างกายนี้มันเป็นอนิจจงนั้นไม่เที่ยงเปลี่ยนสภาพ เป็นทุกขังคือปรยชนอาศัยก็เป็นทุกข์ก็ไม่สบายเลยและใบหน้าตาไม่ใช่ของเราหรือรูปร่างกายคือไม่ใช่สมบัติของใจเลยมันเกิดมันเกิดมันมีของมันเรียกว่าสภาวธรรมมันเป็นของสภาวธรรมเราให้ถือกันว่าเรายืมมาร่างกายยืมมัยืมสภาวธรรมมาใช้ถือว่าเป็นของยืมเข้ามาเยอะถือว่าเป็นของเรา <c oughs> ถ้าไปถือว่าของเราเราก็หวงแหนใหญ่ละ่ะเราสมมติเหมือนว่าเรายืมรถเข้ามาใช้ธรรมชาติเขาก็ให้ยืมรถเรายืมจากเพื่อนจากมิจฉาหรือจากคนที่เป็นญาติเหมือนเขาให้ยืมแต่เขาไม่ให้สิทธิให้เราใช้ได้มิได้สิทธิจะใช้ได้เมื่อเขายืมเรายืมเขามาอย่างไรเราก็ถนุถนอมรักษา ให้ของเขาเสียนะเราใช้อย่างไรนะก็บอกไอ้เนี่ยของเขานะไม่ใช่ของเราจะใช้สูรูสูรายไม่ได้ต้องรักษาให้เขาเป็นของเขานะเรายืมของเขาก็ลงรักษาของเขาไม่ให้เป็นอัตรายเราอยู่อาศัยรูปร่างกายก็อย่างเดียวกันเราก็มาทะนุถนอมรักษามันไว้แล้วเราก็เอาใช้นะั่นแหละเอาร่างกายของเราเนี่ยใช้เราพอมีสิทธิใช้ เขาให้ยืมมาเขาก็ไม่เอาไปดอกเขามาให้เราใช้เท่านั้นแหละเราก็ถืออย่างนั้ น, นเราจะมาถือว่าเป็นของเรามันจึงเป็นกองทุกข์นี้ก็สอนใจว่าถ้าใจนี่ยังรักยังคอใจอย่างนดีในรูปร่างกายอยู่ใจนี่มันก็ต้องมาคลองมาเกิดอีกเกิดอาศัยรูปนี้อีกเกิดแล้วมันก็แก่เท่าฉลากก็เป็นทุกข์เองอยู่อย่างนี้ ไม่มีที่สิ้นสุดคนเราที่ตายไปแล้วมันจะไม่เกิดไม่มีมันก็เกิดถ้ามันยักษ์ยังรักขันห่านยังรักรูปอันนี้อยู่ถ้ามองเห็นเป็นทุกข์แล้วเมื่อใดมันจะเบื่อหน่ายพระดุษฎพุทธเจ้าสอนว่าให้มองเห็นให้มันเป็นทุกข์ให้เบญาเห็นว่าเป็นทุกข์ในกองสังขารหรือร่างกายมันจะได้เบื่อหน่ายในทุกข์ ทุกคนเนะจอทุกมานานแล้วมีสุขขนาดไหนมีทุกข์ขนาดไหนเจอกันมาทุกคนเกิดมาทุกขนาดนี้ต้องเจอทุกไม่ใช่น้อยเลยยี่แต่ทำยังไงหรือใจเขาเราจะหลุดพ้นจากความยึดความถืออันนี้เนะี่ยก็ต้องอาศัยสติสมาธนะิให้มันขู่แล้วจําป็นต้องเพิ่มเติมสติสมาธิปัญญานี้ให้ ขณะนี้เราใช้ปัญญาเราสอนใจให้มีปัญญาสอนใจก็เราให้มีความฉลาดให้รู้ตามความเป็นจริงให้รู้ร่างกายสังขารของเรานี่แหละตามความเป็นจริงมันแก่เท่าชรามันจะแตกมันจะดับมันเต็มไปด้ยวยของโสโครกปฏิคูณของคนอื่นก็เหมือนกันเหมือนกันหมดทั้งชายและหญิงแลหละแก่เท่าชราเจ็บไข้บวดตาย มีของโสโคปฏิคนกระทั้งนั้นอยู่ในนี้เราต้องทชำระสะส า, สาต้องล้างทําให้ชำระสะอาดล้าไม่ล้างแล้วมันก็แสดงความสกปรกนั้นออกมาเมื่อเรานํามาใคร่ควรพิจารณาร่างกายสังขารของเราให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังาตาพร้อมทั้งของคนอื่นด้วยอ น, นิจจังทุกขังาตาทั้งหมดก็กลับเข้าไปสงบใจ สงบรู้อยู่ข้างในทีเนี่ยไม่ต้องไปพูดโธ ท, ทําโอสังโอละประคองแต่ใจประคองแต่ความรู้สึกเข้าไปให้เป็นนิ่งรู้อยู่ได้อยู่ด้วยสติอยู่ด้วยความไม่ลืมตัวมันมีจุดรู้อยู่แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอย่าไปจะเอาอย่างอื่นอย่าไปเอาสุขจะไปเอาทุกข์ถารักษาใจแล้วมันก็มีสุขอยู่ในตัวนะเรามาดาใจใส่มันเท่านั้นถ้าไปเอาใจใส่ แต่สุกใช่อย่างเดียวเดี๋ยวสุกวิ่งหนีหมดถ้าจเจ้าไปใจใส่ในทุกข์มันก็วนกั็วายก็เสือกสนแหละเดี๋ยวพู้อีิสรงมันจะขี่มันอ่ะไปขีมะนะข่มืันเราขี่ม้าม้ํากับพาวิ่งถ้าขี่รถก็รถพาวิ่งไปเราไม่ได้ไปของเรานะ่ะสิ่งภายนอกมันพาไปถ้าเราไปเองเราก็เดินไปเราอยากจะเดินก็เดินอยากจะนั่งก็นั่งหรือไม่อยากจะไปเราก็อยู่ที่บ้าน ใของมันก็ให้เ<ไ>ป็นอิสาระอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นมันก็มีอยู่อย่างนั้นของมัน